พรุทธศาสนาที่พวกเราเคารพนับถือที่พวกเรายึดเป็นผู้นำทางให้แก่ชีวิตของพวกเราเกิดจากการตัดสรุของพาอาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่พาาระอรหันตสัมมา สัมพุทธเจ้าได้ทรงตัสรุก็คือพระอริยสัจสี่ประการสัจธรรมความจริงสี่ประการด้วยกันที่ทำให้สัมมณะโคดมได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือการได้พบสัจธรรมความจริงสี่ข้อด้วยกันที่เราเรียกว่าอริยสัจสีผู้ใดได้เข้าถึงอริยสัจสี่ผู้นั้นจะสามารถอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่ เจ็บตายอีกต่อไปและอริยาาสัจสี่นี้เป็นหัวใจของคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ออกมาจากพระอริยาาสัจสี่ทั้งหมดอริยาาสัจสี่นี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือ อริยสัจที่เรียกว่าทุกขสัจความทุกนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงอย่างข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือสมุทัยาสัจจะก็คือต้อนเหตุของความทุกข์ข้อที่สามก็คือนิโรธาสัจจะคือการดับของความทุกข์ และข้อที่สคือมรรคสัจจะทางที่จะนำไปสู่การดับของความทุกข์ทั้งหลายนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและปฏิบัติจนทำให้พระไทยของพระองค์นั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายตอนต้น พ อ, องค์พบก็คือความทุกข์ใจตอนที่ได้เสด็จออกจากพระราชวังเพื่อไปทอดพระเนตรเป็นครั้งแรกว่านอกบริเวณนอกพระราชวังนี้มีอะไรบ้างพระ อ, องค์ก็ทรงไปพบกับคนแก่พบกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยและพบกับคนตายพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย พระองค์ก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาก็เกิดความทุกใจขึ้นมานี่คือข้อที่หนึ่งความทุกข์ใจที่เกิดจากการที่ไปเห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายเพราะพระองค์ก็จะทราบว่าต่อไปพระองค์เองก็ต้องเป็นคนแก่ต้องเป็นคนเจ็บและเป็นคนตาย แต่พระไทยของพระองค์นี้ทุกเพราะว่ายังไม่อยากแก่ยังไม่อยากเจ็บยังไม่อยากตายอันนี้ก็นํามาสู่อริยสัจข้อที่สองที่เรียกว่าสมุทัยสัจสมุทัยสัจจะก็คือความไม่อยากแก่ความไม่อยากเจ็บความไม่อยากตายนั่นเอง เพราะความอยากอยู่อยากหาความสุขจากทางร่างกายอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงทําให้พระองค์ไม่อยากจะแกะ่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายพอไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา อันนี้จึงทำให้พระ อ, องค์นั้นมีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายพระ อ, องค์ก็ไปเห็นสัมมณะรูปหนึ่งนักบวชรูปหนึ่งก็ได้ทราบว่านักบวชนี้เป็นผู้ที่แสวงหา การดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเพราะผู้ที่เป็นสมณะนักบวชจะเป็นผู้ที่ไปหาทางที่จะนำไปสู่ความดับของความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่ามีทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ พระ อ, องค์ก็เลยทรงเตรียมพระไถยเตรียมใจเตรียมโอกาสเตรียมเวลาพอได้โอกาสได้เวลาที่จะออกไปเป็นนักบวชไปแสวงหาทางคือมรรคที่จะนำไปสู่การดับของความทุกข์ทั้งหลายพระ อ, องค์ก็ทรงเสด็จออกจากพระราชวังไป ทรงสละราชสมบัติทรงสละความสุขของพระราชโอรสที่ต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือและต้องพึ่งพระราชาทรัพย์เป็นสิ่งที่จะตอบสนองความสุขที่พระองค์ต้องการจะเสกแต่ทรงเห็นว่าความสุขเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราว เพราะว่าเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บเวลาที่ร่างกายตายก็จะไม่สามารถที่จะเสพความสุขจากพระราชทรัพย์ของพระองค์ได้พระองค์ก็เลยรู้ว่าสักวันหนึ่งพระองค์จะต้องพบกับความทุกข์และพระองค์ไม่ทรงปรารถนาที่อยากจะพบกับความทุกข์ อยากจะหาวิธีที่จะดับความทุกข์และวิธีที่จะดับความทุกข์นี้ก็เกิดจากการไปเป็นนัก บ, บวชไปสร้างมรรคที่จะมาเป็นเครื่องมือที่จะมาทําลายต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ให้หมดสิ้นไป พองค์ก็เลยเสด็จออกจากพระราชวังในคืนที่ได้ทรงรับข่าวว่าพระมเหสีได้ทรงคลอดพระราชโอรสทรงรู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะมีความผูกพันกับพระราชโอรสมีความรู้สึกต้องรับผิดชอบก็เลยไม่กล้าไปมองไปพบพระราชโอรสทรงเสด็จ โดยที่ไม่บอกใครไปในคืนนั้นแล้วก็มุ่งไปสู่การเป็นนักบวชเพื่อที่จะได้ไปเจริญมรรคในสมัยนั้นมรรคที่นักบวชทั้งหลายเจริญเพื่อให้ดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจนั้นก็เป็นมรรคที่ยังไม่สมบูรณ์คือเป็นมรรคที่สามารถระ ง, งับความทุกข์ใจได้ เป็นระยะระยะเวลาที่ทำใจให้สงบเวลาเข้าไปในสมาธิทำใจให้สงบความอยากต่างๆก็จะละงับการทำงานไว้ชั่วคราวความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะไม่ทำงานเวลาความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ทำงานเวลาที่ใจอยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบ ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเห็นร่างกายมาคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายของร่างกายความทุกข์ใจก็จะปรากฏขึ้นมาใหม่เพราะสมาธินี้ไม่สามารถที่จะกําจัด ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้อย่างถาวรเพียงแต่ระงับไว้ได้ชั่วคราวเหมือนที่เคยเปรียบที่มีคำเปรียบปลอยว่าสมาธินี้เป็นเหมือนหินทับหญ้าหินนี้เวลาไปทับหญ้าไว้หญ้าก็จะไม่สามารถงอกงามขึ้นมาได้แต่ถ้าเอาหินออกจากการทับหญ้า ออกไปไว้ที่อื่นหญ้าที่ไม่มีหินไม่นานก็จะงอกเงยขึ้นมาได้มาใหม่ได้เพราะรากของหญ้านั้นยังไม่ได้ถูกทําลายถ้าอยากจะทําลายต้นหญ้าอย่างถาวรก็จะต้องถอนรากของต้นหญ้าขึ้นมาจากดินซึ่งหินที่ไปทับหญ้านี้ไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ได้ผู้ที่จะถอนหญ้า ออกจากดินได้ก็คือคนที่ต้องการที่จะทำลายต้นย่านั้นก็ต้องถอนหญ้าถอนรากของหญ้าขึ้นมาจากดินพอหญ้ารากของหญ้าออกมาจากดินแล้วต้นหญ้าก็จะไม่มีวันที่จ ะ, จะเจริญ ง, งอกงามต่อไปได้ฉันใดความทุกต้นเหตุของความทุกข์คือสมุทยัย คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากจะอยู่แบบมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อจะได้หาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี้จะถูกทำลายได้ก็ต้องถูกถอดถอนด้วยปัญญาถอดถอนรากเหง้าของความอยาก ร่างเงาของความอยากนี้คืออะไรร่างเงาของความอยากก็คือความหลงความหลงที่ไปคิดว่าการได้ทาตามความอยากแล้วจะมีความสุขเช่นเวลาอยากจะดูอยากจะฟังอะไรพอได้ดูได้ฟังแล้วก็จะรู้สึกว่ามีความสุขเวลาไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็จะรู้สึกว่าไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจ แต่ไม่รู้ว่าความสุขที่ได้จากการทาตามความอยากนี้เป็นความสุขชั่วคราวพอได้ดูได้ฟังแล้วความสุขนั้นก็จะจางหายไปแล้วไม่นานความอยากที่จะดูอยากจะฟังใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาใหม่ก็จะต้องดูใหม่ฟังใหม่ก็จะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อย และเวลาใดที่ไม่สามารถดูสามารถฟังได้เช่นเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไปเวลานั้นก็จะไม่มีความสุขแต่จะมีความทุกข์และความอยากที่จะดูอยากจะฟังก็ไม่ได้หมดไปตามความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายพอร่างกายนี้ตายไป ความอยากที่อยู่ในใจนี้ก็จะเป็นตัวฉุดลากใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่พาให้ไปเกิดใหม่นี่คือความหลงที่เป็นต้นเหตุของความอยากพระพุทธเจ้าก็เลยต้องเข้าไปแก้ต้นเหตุของความอยากเพื่อจะได้ยุติความอยากได้ด้วยการพบความจริงว่า การทำตามความอยากไม่ใช่เป็นการนำไปสู่ความสุขนำไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่กลับเป็นการนำไปสู่ความทุกข์และนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดพอพระองค์ทรงเห็นว่าการกระทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์สร้างภพสร้างชาติพระองค์ก็เลยไม่ทำตามความ อยากต่างๆพอไม่ทำตามความอยากต่างๆความทุกข์ใจก็จะหายไปเช่นเวลาคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บก็คิดถึงความตายก็ยอมให้ร่างกายแก่ไปยอมให้ร่างกายเจ็บยอมให้ร่างกายตายยอมรับความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ ต้องเจ็บและต้องตายไปพอพระองค์ทรงยอมรับความจริงอันนี้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะหายไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ทรงเจริญมากตามลําดับ เบื้องต้นก็ทรงรักษาศีลการออกบวชนี่ก็คือการมีศีลนั่นเองศีลของนักบวชก็คือการไม่เบียดเบียนไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและละเว้นจากการไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆเพราะถ้ายังต้องอาศัยเครื่องมือ อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆก็จะต้องทุกข์กับเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะเป็นเครื่องมือหาความสุขให้ได้นักบวชจึงพยายามละการหาความสุขทางร่างกายเช่นไม่หาความสุขจากการหลับนอนกับผู้อื่นไม่หาความสุขจากการใช้ตาหูจมูกเ่นกาย เพื่อเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลัดสะพัชนิดต่างๆนักบวชพยายามที่จะหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่งความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้รวมเป็นหนึ่งให้สักตะวารุให้เป็นอุเบกขาเวลาใจสงบ สักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาใจจะพบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพผ่านทางร่างกายพอได้ความสุขในรูปแบบนี้แล้วก็จะสามารถที่จะเลิกการหาความสุขผ่านทางร่างกายได้พอความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้ วิเศษกว่าดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์เมื่อไม่ต้องไม่ต้องเสบสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายร่างกายก็จะหมดความหมายไปร่างกายจะเป็นจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะใจที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วก็จะไม่เดือดร้อนความไม่อยากแก่ ความไม่อยากเจ็บไม่อยากตายมันก็จะหายไปเพราะว่ามีสิ่งที่ดีกว่าทดแทนไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใช้ศีลใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาปัญญาเป็นเครื่องมือแทนผู้ใดที่มีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นผู้ที่มีมรรคที่สมบูรณ์ มักคเครื่องมือหรือทางที่นําไปสู่การดับของความทุกข์ต่างๆเพราะเมื่อมีความสุขทางใจแล้วถ้ามีปัญญาที่เห็นโทษของการหาความสุขทางร่างกายเห็นโทษของการหาความสุขตามความอยากว่าเป็นทางสู่ความหายนะทางสู่การเวียนว่าตายเกิดทางสู่ความทุกข์ก็จะ ไม่ไปทําตามความอยากต่างๆเวลาเกิดความอยากอะไรขึ้นมาในใจนี้สติปัญญานี้จะมากําจัดทันทีเพราะจะเห็นพิษเห็นภัยของความอยากว่ามันทำลายความสงบเวลาจิตสงบนี้เปรียบเหมือนน้ำที่นิ่งเวลาเกิดตัญหาความอยากนี้เหมือนกับน้ำที่มีปลาผุดขึ้นมา เวลาปลาผุดขึ้นมาจากน้ำนี้มันก็จะทำให้น้ำกระเพื่มอมเวลาใจกระเพื่มนี้ใจก็จะรู้สึกหวั่นไหวรู้สึกสะเทือนใจเวลาใจนิ่งนี้ใจจะรู้สึกเย็นสบายมีความสุขพอเวลาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมานี้ใจจะกระเพื่อมขึ้นมาทันทีจะเห็นทันทีเห็นโทษของความอยากทันทีเลยว่าตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่ทาให้ใจไม่สบาย และเป็นตัวที่จะฉุดลากใจให้ไปเวียนว่าตายเกิดแบบไม่รู้จักหยุดจักหย่อนไม่มีวันจบสิ้นถ้ามีสติปัญญาเข้าถึงใจในระดับนี้แล้วจะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้เพราะจะมีสติปัญญาคอยจดจอ่อคอยเฝ้าดูใจอยู่ตลอดเวลาเวลาใจกระเพื่อมขึ้นมาเมื่อไหร่ก็รู้แล้วว่า เกิดความอยากขึ้นมาแล้วแล้วเมื่อรู้ปั๊บก็สามารถใช้สติปัญญายับยั้งได้ทันทีเพราะว่ามันเหมือนกับเวลาที่เราเผลอเอาค้อนมาทุบศรีรษะเราถ้าเราเฝ้าดูเราจะรู้ว่าโอ้ที่เราปวดศรีรษะเพราะเราเอาค้อนมาทุบศรีรษะเราเราก็หยุดทุบพอหยุดทุบอาการปวดศรีรษะก็จะหายไปแต่ถ้าเราไม่เฝ้าดูการ เคลื่อนไหวของมือของเราโงแต่ไปดูเรื่องอื่นสิ่งอื่นเวลามือเราเอาค้อนไปเคาะเคาะศีรษะเราก็จะไม่รู้ว่าเราปวดศีรษะออ เ, ร เ, ร เ, เพราะเรามือของเราไปเคาะศีรษะของเราเองเพราะเรามัวไปมองคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ล้วก็เลยไปโทษคนนั้นสิ่งนี้ว่าทำให้เราปวดศีรษะความทุกข์ของพวกเราทุกวันนี้มันเกิดจากความอยากของเราเอง แต่เวลาเราทุก์เรากลับไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นทำให้เราทุกข์คนนี้ทำให้เราทุกข์เขาพูดอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้เราจึงทุกข์กับเขาเพราะว่าไม่ได้มองใจของเราใจของเราถูกความอยากดึงให้ออกไปมองข้างนอกใจของเรามีการมาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมันก็เลยดึงให้เราไปดูรูปเสียงกลิ่นรส แล้วก็ไปดีใจไปเสียใจไปสุขไปทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไปดูกันถ้าได้รูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกอกถูกใจเราเราก็มีความสุขพอไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจเรามันก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสนั้นมันไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์แต่ตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความอยากของเรา เราไม่อยากจะเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไม่ชอบเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาเราชอบแต่เจอแต่รูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบพอเราเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบเราก็มีความสุขพอไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็เลยไปโทษรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นเหตุให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์ พอเรามีความทุกจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็เลยไปแก้ที่รูปเสียงกลิ่นรสไปแก้ให้มันให้มันทาให้เรามีความสุขแต่ถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็วุ่นวายใจพอรูปเสียงกลิ่นรสบางชนิดบางเวลาเราก็แก้ได้บางทีเราก็แก้ไม่ได้เวลาแก้ไม่ได้แล้วเราจะรู้สึกยังไงเราก็จะรู้สึกทุกทรมานใจเพราะเราไม่ได้ไปแก้ต้นเหตุ ที่เป็นเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ทรมานใจใต้นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ทรมานใจก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสชนิดนั้นชนิดนี้พอไม่ได้ชนิดนั้นชนิดนี้ตามความอยากของเราเราก็เกิดความทุกข์ใจถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็หยุดความอยากเสียก็หมดเรื่องเราเมื่อเราเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไม่ชอบใจเพราะเราไม่อยากจะเจอ เราก็เปลี่ยนห้าวเปลี่ยนใจเราก็เราอยากจะเจอมันก็เสียก็หมดเรื่องพอเราอยากจะเจอมันได้เจอมันเราก็จะมีความสุขใจขึ้นมาเราก็จะไม่ทุกข์ใจนะังั้นเราต้องคอยรู้จักปรับใจของเราวิธีที่จะปรับใจก็คือต้องทำใจให้ไม่ให้มีความอยากเมื่อเราไม่มีความอยากแล้วเราจะเจอรูปเสียงกลิ่นรสชนิดใดมันจะไม่ทาให้เราทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสมันจะ ดีหรือจะไม่ดีเราเคยชอบหรือไม่ชอบแต่พอเราสามารถทำใจให้วางเฉยได้ให้เป็นกลางได้ให้เป็นอุบเบกขาได้เราก็จะไม่เดือดร้อนกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราไปสัมผัสรับรูบร้เราจะรับมันได้เช่นเราไม่ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายของเราหรือของผู้อื่นก็ดี เพราะใจเรายังมีความรักร่างกายที่สวยที่งามที่ไม่แก่ที่ไม่เจ็บที่ไม่ตายแต่ถ้าเรามาฝึกทำใจให้สงบให้ใจเป็นกลางให้เป็นอุบเบกขาแล้วก็ใช้ปัญญาสติปัญญาคอยเฝ้าไม่ให้ใจออกจากความเป็นกลางนี้ด้วยความอยากต่างๆเวลาสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายหรือความเสือ่อมความสูญเสียของอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราจะสัมผัสรับรู้ได้อย่างไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์เดือดร้อนใจแต่อย่างใดเพราะเรามีปัญญาที่จะสอนให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เขาเป็นอย่างนี้เขามีขึ้นมีลงมีดีมีไม่ดีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเราต้องมีความจำเป็นที่จะต้องสัมผัสรับรู้เราก็สัมผัสรับรู้ไปด้วยใจที่สงบด้วยใจที่ไม่มีอารมณ์แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกควบคุมใจของเราให้สงบให้เป็นกลางไม่ให้มีอารมณ์เวลาเราเจออะไรความอยากนี้มันจะเป็นตัวที่จะทำให้ใจของเรานี่วั่นวหว ทำให้ใจเราวุ่นวายขึ้นมาได้นี่ก็คือเรื่องของทุกขสมุทัยนืโรดมารยาศาสตร์สี่ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราทุกคนแต่พวกเราเข้ากันไม่ถึงเท่านั้นเองใจของเรานี้ส่งกิเลสตัณหาของพวกเรานี้ส่งใจของพวกเราให้ออกไปอยู่ข้างนอกกันเลยไม่เห็น ตัวที่กำลังสร้างความวุ่นวายใจต่างๆและตัวที่จะมาแก้ความวุ่นวายใจต่างๆนี้มันอยู่ข้างในใจเรามัวแต่ไปแก้ความวุ่นวายต่างๆภายนอกใจแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างเวลาแก้ได้ก็แก้ได้เป็นพักๆไปแล้วเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่ให้มาวุ่นวายอยู่ต่อไปมันก็จะมีเรื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เพราะว่าเราไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุของความทุกข์ใจของความวุ่นวายใจไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ส่งไปแก้แทนที่จะไปแก้ที่ร่างกายท่านก็ไปแก้ที่ใจคนที่ไม่มีอริยาาสัจสี่ก็พยายามแก้ที่ร่างกายกันพยายามไปเสริมความงามกันไปต่อยืดอายุกันด้วยวิธีการต่างๆไปหาหมอดูหมอก็บอกว่าให้ ยืนอายุด้วยการไปทำนู่นทำนี่ทำยังไงมันก็ไม่หนีพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้แล้วก็หนีไม่พ้นความทุกข์ไปได้ เ, เพราะว่าต้นเหตุของความทุกข์นั้นมันอยู่ที่ความอยากของใจ อ, อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายาพระพุทธเจ้าก็เลยส่งเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุด้วยการสระละราชสมบัติ ยุติการแก้ปัญหาที่ทางภายนอกใจพวกเราที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชกันนี้เถอว่ายังแก้ปัญหาอยู่ที่ภายนอกใจยังหาความสุขภายนอกใจกันอยู่ยังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐภะแล้วก็ได้กแก้ความทุกข์ดับความทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นพพรสโผฏฐาภะพยายามจัดการรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะให้เป็นไปตามความ ที่เราต้องการกันถ้าเราทำได้เราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขไปแล้วเดี๋ยวพอมันเป็นขึ้นมาอีกเราก็เดือดร้อนขึ้นใาม่พอไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสชุดใหม่ที่มันไม่เป็นไปตามความต้องการของเราใจของเราก็วุ่นอีกแล้วเราก็ต้องพยายามแก้มันอีกพอแก้บางทีก็แก้ได้บางทีก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ ทุกใจเสียใจไม่สบายใจพอแก้ได้ก็เบาใจสบายใจไประยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอชุดใหม่ที่จะต้องแก้ใหม่เราแก้มาตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้เรามีเรื่องให้เราแก้อยู่ทุกระยะของชีวิตของเราระยะที่เราเรียนหนังสือก็แก้ปัญหาเรื่องการเรียนเรื่องการหาโรงเรียนพอเรียนจบก็ต้องมาแก้เรื่องหาการหางานการ หางานทำหาคู่ครองหาอะไรต่างๆพอแก้ได้ก็มาต้องมาเจอปัญหากับคู่ครองบ้างเจอปัญหากับครอบครัวบ้างเจอปัญหากับเรื่องการงานการอะไรก็แก้มันไปนั่นนะแก้ไปเท่าไหร่มันไม่มีวันจบแล้วแล้วพอมาถึงปลายชีวิตก็ต้องมาแก้กับความแก่ความเจ็บความตายมันก็แก้ไม่ได้แล้วมันก็ทุกตายไปด้วยความทุกข์ใจ ตายไปด้วยความอยากแล้วก็ดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันใหม่อีกรอบมาแก้ปัญหาแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ํำอีกมาไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วเพราะเราไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่ต้นที่ต้นเหตุปัญหาที่ต้นเหตุก็คือใจความทุกข์ใจนี้มันอยู่ในใจของเราน่าเกิดจากความอยากของเราที่ไปหลงกับสิ่งต่างๆภายนอกใจของเรา ที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆภายนอกใจนี้เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราเพราะสิ่งที่เคยให้ความสุขกับเรามันเปลี่ยนไปมันไม่สามารถให้ความสุขกับเราเราก็ทุกข์ใจแล้วเราก็พยายามที่จะเปลี่ยนมันกลับมาให้มันมาให้ความสุขกับเราใหม่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้เราก็ทุกข์ใจไปถ้าเปลี่ยนได้เราก็ดีใจไประยะหนึ่ง แล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมในที่สุดเราก็ต้องทุกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาที่ให้ความสุขกับเราเนี่ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องมีวันเสือ่อมมีวันเสียมีวันเปลี่ยนไปและหมดไปในที่สุดดงนั้นการแก้ปัญหาที่แท้จริงต้องแก้ปัญหาที่ใจของเราแก้ที่ความอยากของเรา ที่อยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปาทางความอยากของเราเราต้องเข้าใจยอมรับความจริงว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราเสมอไปเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสิ่งไปสั่งให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปแต่ถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปควบคุมบังคับเขาไปสั่งเขาก็ปล่อยเขาไปตามธรรมชาติ ตามเรื่องของเขาเราใช้ประโยชน์จากเขาได้เราก็ใช้มันไปเราใช้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องใช้มันไปการที่เราจะไม่ใช้เขาได้เราก็ต้องมีประโยชน์ที่เราสามารถอาศัยใช้ได้ตลอดเวลาประโยชน์ที่เราอาศัยใช้ได้ประโยชน์ตลอดเวลาก็คือความสงบของใจเรานี่เองถ้าเรามีความสงบมีความสุขใจแล้ว เราก็ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆภายนอยภายนอกใจของเรามาให้ความสุขกับเราเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าอยู่ภายในใจของเราเหมือนถ้าเรามีสิ่งต่างๆที่ดีกว่าอยู่ในบ้านเรื่องอไรเราจะต้องออกไปนอกบ้านที่เราออกไปนอกบ้านเพราะภายในบ้านมันไม่มีสิ่งที่เราต้องการเราเลยต้องออกไปนอกบ้านกันแล้วพอเราออกไปนอกบ้านเราก็ต้องไปวุ่นวายกับการเดินทาง กับการกับอุปสรรคต่างๆที่เราพบปะเวลาที่เราออกไปนอกบ้านถ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการอยู่ในบ้านที่ให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเราจะออกไปนอกบ้านทำไมอยู่บ้านสบายกว่าตอนนี้ใจของพวกเรามันไม่มีความสุขกันใจเราเลยเราเลยต้องออกไปหาความสุขข้างนอกใจกันไปหาความสุขที่ตาหูจมูกลิ้นกาย ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะกันแต่สิ่งที่เราไปหานี้โดยธรรมชาติของมันนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วมันก็จะจางหายไปแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกสูญเสียเวลาที่เราเสียสิ่งเหล่านั้นไปเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปอะไรก็จะเกิดขึ้นก็คือความเสียใจความทุกข์ใจนี่คือความทุกข์ที่พวกเรา สร้างกันขึ้นมาเพราะว่าเราไม่มีความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจของเราเราเลยต้องออกไปหาความสุขปลอมข้างนอกใจของเราแล้วความสุขปลอมนี้มันก็เหมือนแบงค์ปลอมเวลาได้มาก็ดีใจแต่พ อ, อไปซื้อของเขาบอกซื้อไม่ได้ของมันแบงค์มันแบงค์ปลอมเราก็เสียใจอันนี้ก็คือลักษณะของการหาความสุข ภายนอกใจเป็นการหาความสุขปรอมที่จะกลายเป็นความทุกข์ในเบื้องต้นก็เป็นความสุขแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปดังนั้นเราจึงต้องมาแก้ปัญหาที่ต้นเห ต, ต, เหตุต้นเหตุก็คือใจของเราไม่มีความสุขใจของเราเลยถูกความหลงหลอกให้ไปหาความสุขภายนอกใจพอไปหาความสุขภายนอกใจก็เลยเกิดความอยากให้สิ่งที่เรา อานั้นเป็นไปตามความต้องการของเราให้ความสุขกับเราไปตลอดแต่สิ่งที่เราไปหานี่เราไม่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเขาจะต้องมีการเปลี่ยนไปก็ไม่มีอะไรนิ่งไม่มีอะไรเหมือนเดิมมีการเปลี่ยนไปพลิกไปพลิกมาดีบ้างไม่ดีบ้างจเจริญบ้างเสื่อมบ้าง พอไม่ได้ดังใจอยากก็เลยเกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจตามมานี่เพราะว่าเราหลงไปหาความสุขภายนอกกันเพราะเราไม่รู้ว่าเรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่ภายในใจเราจึงต้องมาสร้างมรรคกันเพราะมรรคนี้จะเป็นผู้ที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงภายในใจให้เกิดขึ้นมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญา ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งส่งเจริญหลังจากที่ได้เสด็จออกจากพระราชวังพอออกจากพระราชวังก็เป็นทักบวชทักษาสิงห์ของนักบวชแล้วก็เจริญสติเพื่อทำใจให้สงบอันนี้เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าส่งเรียนรู้จากนักบวชผู้อื่นนักบวชสมัยนั้นเขาก็รู้การสร้างมรรคได้ถึงขั้นสมาธิเท่านั้น เขายังไม่รู้จักวิธีสร้างปัญญาเขายังไม่รู้จักวิธีที่จะทําให้ความสงบของใจนี้สงบอย่างตลอดเวลาทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและในขณะที่ออกจากสมาธิมาแล้วสมัยนั้นพอออกจากสมาธิมาความสงบที่ได้ก็จะจางหายไปเพราะความอยากต่างๆก็จะผุดจะโผล่ขึ้นมาแล้วพอปล่อยให้ความอยากนี้ทํางาน ความสงบก็จะหายไปความวุ่นวายใจก็จะตามมาพระพุทธเจ้าเลยต้องทรงพิจารณาคนคว้าหาวิธีว่าทําอย่างไรจะทําให้ใจนี้สงบไปได้ตลอดเวลาก็ทรงเห็นว่าสิ่งที่มาทําให้ใจไม่สงบหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็คือความอยากต่างๆนี่เองขณะที่ใจสงบความอยากไม่ทํางาน ก็เลยไม่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่มีความทุกข์จากการอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นลดผดต่อพระแต่พอออกจากความสงบมาพอเกิดความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นลดผดต่อพะอยากจะทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ใจก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีทรงสังเกตจึงทรงเห็นว่าเกิดจากความอยากนี้เองและความอยากนี้ก็เกิดจากความหลง ที่คิดว่าจะไปหาความสุขจากร่างกายได้ที่คิดว่าร่างกายนี้จะเที่ยงแท้แน่นอนแต่ความจริงร่างกายนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนร่างกายนี้อันนี้จังไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้นี่คือ ความรู้ที่พระเจ้าได้ส่งคนพบด้วยพระองค์เองความรู้ในสัจธรรมของสิ่งต่างๆของสภาวธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเมื่อเขาไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราไปอยากให้เขาเที่ยงอยากให้เขาเป็นของเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความอยากที่จะให้สิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเรานั้นเที่ยงเป็นของเรานี่แหละที่ทาให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เมื่อเรารู้ว่าเราถ้ารู้ว่าความอยากเหล่านี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็อย่าไปอยากมันเท่านั้นเองถ้าของมันไม่เที่ยงจะไปอยากให้มันเที่ยงทำไมถ้าของมันไม่ใช่เป็นของเราจะไปอยากให้มันเป็นของเราทำไมมันก็ไม่เป็นของเราอยู่ดีแล้วมันก็จะไม่เที่ยงอยู่ดีไม่ว่าเราจะอยากหรือไม่อยากก็ตามแต่ปัญหาก็คือถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากแล้วมันจะไม่ทุกข์ งั้นสู้ไม่อยากไม่ดีกว่าสู้อยู่เฉยเฉยไม่ดีกว่ามันจะไม่เที่ยงก็ปล่อยมันไม่เที่ยงไปมันจะไม่ใช่เป็นของเราก็ปล่อยมันไม่ใช่เป็นของเราไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเ้วก็อยู่ตามสภาพของเราแสนจะสุขแสนจะสบายอยู่กับความสงบนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนีด่คือมากที่พระเจ้าทรงไ ด, ได้เจริญแล้วได้ทรงนํามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราว่า ถ้าพวกเราอยากจะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้เราต้องดับด้วยมรรคเพียงอย่างเดียวเราไม่สามารถดับด้วยสิ่งอย่างอื่นได้อย่างเหมือนที่พวกเราพยายามดับกันทุกวันนี้เราดับความทุกข์ด้วยอะไรด้วยลาบยศสร ะ, ะเสริญด้วยความสุขทางตาหูจมูกเป็นกายเวลาเราไม่ทุกข์ทีก็ไปละไปเที่ยวกันละไปลืมความทุกข์กันสักระยะหนึ่งมันก็ดับได้ชั่วคราว พอกลับมาก็มาเจอความทุกข์อันเดิมนั่นแหละเพราะว่ามันยังไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการจัดการแก้ไขความทุกข์อันเดิมนี้มันเกิดจากความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราเราต้องมาดับความอยากอันนี้ความอยากที่ทําให้เราเกิดความทุกข์และสิ่งที่จะทําให้เราดับความอยากและความอยากได้ก็คื อ, อก็มักนี่เองก็คือปัญญา ปัญญาที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราเราจะให้มันเป็นไปตามความอยากความต้องการของเราไม่ได้เมื่อเราเห็นเราก็จะเห็นโทษของความอยากของเราความไม่เที่ยงไม่เป็นโทษสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงมันไม่เป็นโทษสิ่งที่เป็นโทษก็คือความอยากของเราให้มันเที่ยงนันเองอยากให้มันเป็นของเราซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันขัดความจริงความจริงมันไม่เที่ยงความจริงมันไม่ใช่ของเรา แต่ความหลงมันไปทัไม่มันทาให้เราไปคิดอยากว่ามันต้องเป็นของเราให้ได้มันต้องเที่ยงมันต้องอยู่กับเราไปเรื่อย yeah. อันนี้แหละที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาสิ่งต่างๆที่เราไปหลงยึดติดว่าจะให้ความสุขกับเราว่าจะเป็นของเราว่าจะอยู่กับเราว่าจะเป็นเหมือนเดิมตลอดเวลาเราก็จะเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ เมื่อเป็นไปไม่ได้เราก็จะยอมรับความจริงของมันเราก็จะยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บยอมรับความตายยอมรับการเสื่อมของรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะยอมรับการเสื่อมของสิ่งต่างๆที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการมาแก้ความทุกข์ของเราว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถที่จะแก้ความทุกข์ของเราได้นอกจากการยอมรับความจริงว่าเรา ต้องหยุดความอยากของเราหยุดอาศัยสิ่งต่างๆเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์เราต้องใช้ความสงบเพียงอย่างเดียวเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ของเราคือเราก็ต้องหยุดการเพิ่มสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราหยุดเพิ่งร่างกายไว้สำหรับหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกนิ้วกาย เมื่อเรายุติการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายจะตายเราก็จะไม่ทุกข์เวลาสิ่งต่างๆที่เราเคยใช้เคยอาศัยให้ความสุขกับเราเขาเสื่อมไปเขาหมดไปเราก็จะไม่ทุกข์เพราะว่าเราไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านั้นมาให้ความสุขกับเราเรามีสิ่งที่ดีกว่าคือความสงบ นั้นสิ่งที่เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้ได้ก็คือความสงบก่อนถ้าเรามีความสงบแล้วเราก็จะได้ใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดการหาความสุขจากสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีความสงบไม่มีความสุขเราก็ยังไม่สามารถที่จะทิ้งสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราได้ถึงแม้ว่ามันจะให้ความทุกข์กับเราเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันหมดไปอย่างน้อยเราก็คิดว่า ถ้ามันเสื่อมไปแล้วก็หาอันใหม่ได้เพียงแต่ว่าเวลาเวลามันเสื่อมไปก็ต้องทุกข์หน่อยนั่นเองเวลาเสียคนรักไปก็ร้องห่มร้องไห้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอได้คนรักใหม่ก็ดีใจแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกข์กับสุขก็จะสลับกันไปอยู่เรื่อยๆเพราะเราจะต้องมีการเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเพราะสิ่งที่เราเอาศัยให้ความสุขกับเรานี้มันจะต้องเสื่อมมันจะต้องหมดไป เช่นร่างกายของเราเดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลามันแก่มันเจ็บมันตายแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจทุกใจพอตายไปแล้วพอได้กลับมาเกิดได้ร่างกายอันใหม่ก็ดีอกดีใจใหม่ได้ร่างกายอันใหม่ได้มาหาความสุขกันใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้สลับกันไปสุขกับทุกไปเรื่อยๆแต่เวลามันทุกแต่ละครั้งนี่มัน ความสุขที่ได้มานี่มันหายไปหมดจำไม่ได้เลยมันไม่อยากจะอยู่เลยแต่มันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจนกว่าจะได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเรามาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุกันต้นเหตุ ก, ตหต ก, ก็คือความหลงความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้จะให้ความสุขกับเราเพราะเรามองไม่เห็นว่าเขาไม่เที่ยงเขาไม่ใช่เป็นของเรา นี่มีพระพุทธเจ้าเป็นคนที่จะมาชี้บอกพวกเราว่าความสุขที่เราหากันนี้มันเป็นความทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวให้เรายุติหาความสุขเหล่านั้นแล้วเรามาสร้างความสุขแบบใหม่คือความสุขความสุขที่เกิดจากความสงบของใจการที่จะสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบของใจได้ก็จะต้องทุ่มเทเวลาให้กับการสร้างความสุขอย่างนี้เพียงอย่างเดียว ถ้าเรายังแบ่งเป็นสองอยังอยากจะหาความสุขทางร่างกายอยู่แล้วก็อยากจะหาความสุขทางใจอยู่การจะสร้างความสุขทางใจใ ห, ให้ให้เต็มที่สมบูรณ์นี่จะเป็นไปไม่ได้ผู้ที่ต้องการความสุขทางใจอย่างสมบูรณ์จึ ง, ต, งต้องต้องออกบวชกันจะต้องสละบความสุขทางร่างกายไปจะไม่หาความสุขทางร่างกายจะได้มีเวลาทุ่มเทให้กับการหาความสุขทางใจ e. นี่ก็คือวิธีที่พรเจ้าได้ท่งค้นพบวิธีที่จะได้มีแต่ความสุขตลอดเวลาวิธีที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายด้วยการสร้างมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาการจะสร้างมรรคคือศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มร้อยก็จะต้องยุติการทำม า, ากินหาความสุขผ่านทางร่างกาย ก็ต้องมีการแปลงเพศจากการเป็นผู้คลองเรือนมาเป็นผู้เป็นนักบวชกันเพราะเป็นนักบวชเท่านั้นที่ที่จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้การว่าผู้คลองเรือนนี้ถ้าจะมีบ้างก็เพียงเป็นกรณีพิเศษมีไม่กี่คนแต่ผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์กันนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ออกจากเรือนเป็นผู้ที่ไปอยู่แบบนักบวชกันทั้งนั้นก็ เพราะว่าจะได้มีเวลาทุ่มเทให้กับการเจริญมรรคที่จะเป็นเครื่องมือที่จะมาละตันหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ให้หมดไปจากใจพอไม่มีตันหาไม่มีต้นเหตุของความทุกข์ความทุกข์ก็จะไม่มีการดับของความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมานิโรธก็คือการดับของความทุกข์นี่คือการทํางานของพระอริยศาศาสัจสีเกิดจากความทุกข์เป็นเหตุ เวลาเรามีความทุกข์ใจเราก็ต้องค้นหาสาเหตุว่าเราทุกข์ใจเพราะอะไรถ้าเราเป็นคนที่วิเคราะห์ที่ฉลาดเราก็จะเห็นว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราแล้วเราก็จะวิเคราะห์ต่อไปแล้วเราจะใช้อะไรมาดับความอยากละความอยากนี้ก็จะได้วิเคราะห์ว่าก็ต้องมีมรรคก็คือต้องมีศีลสมาธิปัญญาที่จะเป็นผู้ที่จะมาละความอยาก ได้เพราะว่าถ้าใจเรายังไม่มีความสงบไม่มีความสุขใจเราจะละความอยากทางความสุขทางร่างกายไปไม่ได้นั่นเองแต่พอเรามีความสุขใจแล้วเราละเห็นโทษของความอยากจะหาความสุขทางร่างกายว่าเป็นต้นเหตุของการสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเราก็จะหยุดความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เราก็จะทำลายต้นเหตุของความทุกข์ใจได้ เราก็จะทำให้นิโรธคือการดับของความทุกข์ปรากฏขึ้นมานี่คือผลที่เราจะได้รับถ้าเราจเจริญมากอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าสเสมออย่างเต็มที่ผลก็คือเราจะทำให้นิโรธคือความดับทุกข์ปรากฏขึ้นมาได้เพราะเราจะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้หมดนี่คือวิธีการที่พระเจ้าได้ทรงบาเพ็ญได้ทรงปฏิบัติ และได้ส่งคนพบพระอริยสัจสี่และได้ทรงนำเอาพระอริยสัจสี่นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราศึกษาและเราเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาได้พวกเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับผลอย่างแน่นอนดังนั้นหน้าที่ของพวกเราตอนนี้ก็คือศึกษาพระอริยสัจสี่ แล้วก็พยายามเจริญมรรคที่สงสอนให้เจริญในพระอริยสัจสี่นี้ด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญสมาธิด้วยการเจริญปัญญาทำจากน้อยไปหามากก่อนเราเริ่มทำได้ในขณะที่เรายังเป็นฆราวาสอยู่แล้วพอมีเวลาว่างบ้างวันไหนว่างแทนที่จะไปเที่ยวไปเล่นไปหาความสุขทางล่างกายเราก็ลองไปอยู่วัดกัน ไปฝึกนั่งสมาธิไปรักษาศีลของนักบวชกันละเว้นการหาความสุขทางร่างกายสักหนึ่งวันเพื่อทำใจให้สงบถ้าเราทำใจให้สงบได้เราเห็นหนังตัวอย่างคือความสงบว่ามันวิเศษอย่างไรมันก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาเกิดฉันทะวิริยะที่อยากจะสร้างความสุขแบบนี้ให้มีเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเริ่มเราก็จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ และในที่สุดเราก็จะเห็นว่าการอยู่เป็นคารวา์นี้เป็นอุปสรรคต่อ ก, การสร้างความสุขแบบนี้เราก็จะสละความเป็นคาลวาตไปแล้วก็ออกไปเป็นนักบวชเหมือนกับพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็เป็นคารวา์เหมือนพวกเรามาก่อนท่านไม่ได้เกิดมาเป็นนักบวชเลยเพราะนักบวชนี้ไม่สามารถมีครอบครัวมีลูกปีเต้าได้ งั้นคน Azerbaijan, ที่มาเกิดพระอริยะที่ไปเป็นพระอริยะนี้ก่อนจะเป็นพระอริยะได้ก็ต้องเป็นคารวะเหมือนพวกเรามาก่อนแต่เมื่อได้ได้สร้างมรรคขึ้นมาตามลำดับก็จะทำให้เห็นว่าการเป็นผู้ครองเรือนเป็นคารวะนี้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างมรรคอันนี้ก็จะต้องสละความเป็นคารวะผู้คองเรือนไปแล้วก็ไปอยู่เป็นนักบวชเป็นสัมณะเป็นนักบวชเพื่อที่จะได้เจริญมรรคได้อย่างเต็มที่ พอได้เจริญมากอย่างเต็มที่ก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าได้เป็นสังขารัตนะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกต่อไปนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่มีพระอริยสัจสี่เป็นศูนย์กลางของความรู้ทั้งหลายความรู้ต่างๆที่ออกจากพระพุทธศาสนานี้ออกมาจากพระอริยสัจสี่ สอนให้พวกเราให้เข้าให้ถึงพระอริ ย, รยสัจสี่ด้วยการเจริญมรรคเมื่อเราจเจริญมรรคเราจะเข้าถึงตัวสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์และเราก็จะดับความทุกข์ได้เพราะเราจะละต้นเหตุของความทุกข์ได้เราก็จะทําให้นิโรธคือความดับทุกข์ปรากฏขึ้นมาเมื่อ น, นิโรธสมบูรณ์แบบนิโรตก็จะกลายเป็นพระนิพพานไปนั่นเองยิงขอฝากเรื่องของพระอริยสัจสี่ ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานี้ให้ท่านได้นำมาไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความดุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวารรวาหาปุราปาริกุเรนติสากรัง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 มาเตภวัตะวันตรายุสุขีทีคาโยโกผวะอภิวาธนศีสิลิศนิจังวุฒาปจายโนจัตตารุธรมาวทานติอายุวโนสุขังพาลัง ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านใดมีความอยากจะรู้ธรรมะในข้อไหนแง่ไหนก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตระ ง, งับหยุดการถามตอบปัญหานนั้ถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้ ถ้าไม่มีปัญหาก็จะให้พิธีกร อ, อ่านปัญหาที่ถามมาจากทางบ้านคำถามจากผู้ฝากถามตัวเองเป็นคนมีกรรมเยอะมากๆค่ะทุกวันนี้ยังคงกังวลกับเรื่องกรรมค่ะเวลาปฏิบัติธรรมเวลาไปบวชชีพรามก็อยากจะให้บุญได้ถึงพ่อกับแม่หรือเพื่อนฝูงที่รู้จักกันที่เคยทำกรรมไว้จะทำอย่างไรถึงจะทำให้บุญได้ถึงพวกเขาคะ บุญกรรมนี้เป็นของส่วนตัวใครทำใครก็ได้ใครไม่ทำใครก็ไม่ได้มีบุญที่อุทิศให้ผู้ตายได้ก็เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเป็นเหมือนเงินที่เราให้ขอทานเท่านั้นสำหรับผู้ที่ไปตกอยู่ในภาวะเป็นขอทานทางดวงจิตวิญญาณก็สามารถที่จะส่งบุญที่เราทานี้แบ่งไปได้เล็กน้อย เปรียบประมาณก็เท่ากับเงินที่เราให้ขอทานนั่นเองนอกกนั้นแล้วเรื่องบุญนี้ต้องทำกันเองถ้าไม่ทำก็ไม่ได้และตัวหนูเองจะต้องจัดการกับกรรมที่มันเกิดขึ้นกับหนูอย่างไรดีคะกรรมที่ถ้าเป็นวิบาก ค, คือผลที่เกิดจากบาปกรรมที่เราทำในอดีตเราก็ต้องรับไปเราไม่สามารถที่จะไปลบล้างกรรมเก่าที่เราทำไว้ได้ แต่เราสามารถระ ง, งับการสร้างกรรมใหม่ได้ถ้าเราไม่สร้างกรรมใหม่ไม่ทำบาปใหม่ต่อไปผลของบาปใหม่ก็จะไม่มีตามมาและในชีวิตหนึ่งหนึ่งที่เกิดมาจนตายมันมาจากผลกรรมที่ทำมาในอดีตยอย่างเดียวเลยหรือว่ากรรมในปัจจุบันที่ทำด้วยคะคือการที่มาเกิดนี้ก็เกิดจากความอยากต่างๆและความอยากที่ไป ทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างก็จะส่งให้ชีวิตของเรานี้ขึ้นบ้างลงบ้างมีสุขบ้างมีทุกบ้างเวลาเรามีความสุขก็เรียกว่ารับผลของความดีของการกระทําความดีของเราเวลาเรามีความทุกข์ก็เรียกว่าเป็นการรับผลของการกระทาความไม่ดีของเราถ้าเราอยากจะมีความสุขมากมีความทุกข์น้อย เราก็ต้องพยายามทำความดีให้มากๆทํทำความชั่วให้น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปอนาคตเราก็จะมีแต่ความสุขความทุกข์ก็จะไม่มีคำถามจากผู้ฝากถามถ้าเจ้านายสั่งให้ลูกน้องดัดแปลงงบบัญชีเพื่อให้ธุรกิจเสียภาษีน้อยลงซึ่งก็คือโกงภาษีแบบนี้ถือว่าบาปจะอยู่ที่เจ้านายหรือลูกน้องคะ อยู่ด้วยกันทั้งสองค น, คนสั่งก็บาปคนทําก็บาปถ้าเรายังไม่อยากจะทําบาปเราก็ต้องไม่ทําตามถ้าเขาให้ออกจากงานก็ต้องออกไปอย่างน้อยความเสียหายจากการไม่ได้ทํางานนี่มันน้อยกว่าการเสียหายที่เกิดจากการทําบาปเพราะการทําบาปนอกอาจจะต้องรับโทษในปัจจุบันแล้วเวลาตายไปก็จะต้องไปใช้กรรมในอภัย ถ้าไม่ยอมทำบาปตายไปก็ไม่ต้องไปอบายแต่อาจจะทุกข์ยากลำบากเพราะตกงานแต่ก็เป็นความทุกข์ชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่หรืออาจจะไม่กี่วันก็ได้พอตกงานไปได้ไม่กี่วันอาจจะได้งานที่ดีกว่าเก่าก็ได้เทวดาสงสารหางานมาให้ทำเพราะเห็นว่าเป็นคนซื่อสัตย์คำถามจากคุณอัญชลีข้อหนึ่งสามีหรือภรรยา ถ้าคนใดคนหนึ่งชอบเข้าวัดทำบุญทาทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมแต่ว่าอีกคนไม่สนใจทางนี้จะวางใจอยู่ร่วมกันอย่างไรดีคะก็สมหวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนฮะถ้าเขาไม่ชอบทำสิ่งที่เราชอบทำก็อย่าไปยุ่งกับเขาให้เรามาทำในสิ่งที่เราชอบทำด้วยกันสองคนก็แล้วกันทำในสิ่งนั้นร่วมกันสิ่งที่เขาไม่ชอบทำก็ปล่อยเขาไปอย่าไปควบคุมบังคับไปเที่ยเข็นเขา ก็จะทำให้เขาเกิดความลำคาญใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้แล้วจะอยู่กันอย่างไม่มีความสุขข้อ2ถ้าในท้ายที่สุดแล้วเราไม่สามารถทิ้งสามีหรือภรรยาเพื่อมาบวชหรือปฏิบัติธรรมไปตลอดชีวิตได้ขอแนวทางในการดำเนินชีวิตคู่คูบคู่ไปกับการมีทานศีลภาวนาค่ะ ก็รักษาศีลห้าให้ให้บริสุทธิ์ไปก่อนให้มีความซื่อสัตย์สุดเจริญกับคู่ครองของเราอย่าไปนอกใจกันอชีวิตคู่ครองก็จะไม่มีปัญหาแล้วก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขในระดับของผู้ครองเลือนไปแล้ววันพระก็ขออนุญาตถือศีลแปดสักหนึ่งวันไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันขออนุญาตไปพักที่วัดบ้างก็ได้ เพื่อไปสร้างความสุขทางใจก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าตายจากกันไปพอเขาตายไปเราก็มีสารภาพเราอยากจะไปบวชตอนนั้นเราก็ไปบวชได้ข้อสามบุคคลที่มีบุญคุณต่อกันถ้าไม่ได้ทดแทนบุญคุณกันหรือเนรคุณต่อผู้มีพระคุณจะมีผลกรรมติดตัวไปอย่างไรคะคือ ความเนรคุณกับอักตันยูนี้มันมีมันความหมายไม่เหมือนกันอักตันยูก็คือการไม่ทดแทนคุณของผู้อื่นส่วนเนรคุณนี้เหมือนกับการทํ า, าทร้ายผู้ที่มีพระคุณกับเราถ้าการเนรคุณนี้มีผลเสียตามมาเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างนี้ก็ไปตกนรกได้แต่ถ้าไม่ได้ตอบแทนรุญคุณของพ่อแม่นี้ก็ไม่มีความเสียหาย แต่ว่าไม่ได้บุญเท่านั้นเองถ้าได้ทดแทนบุญคุณกับพ่อแม่ก็เหมือนกับได้ทำบุญกับพาาระอรหันต์ก็จะได้รับอันนิสงจากการทาบุญแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ก็ไม่มีความเสียหายแต่ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้นข้อสี่เรื่องในวันนี้เป็นวันแห่งความรักไม่ว่าจะเป็นรักในรูปแบบใดก็ตามเราจะรักอย่างไรให้ไม่ทุกข์คะ ก็รักแบบปล่อยวางรักแบบไม่ยึดติดไม่ครอบครองเขาเป็นสมบัติของเราให้รักด้วยการเสียสละคืออยากจะให้เขามีความสุขทาอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขแต่ไม่ต้องการผลตอบแทนจากเขาเขาจะรักเรากับเราหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเขาจะขอบใจเราเห็นบุญคุณของเราหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เราต้องรักแบบนี้รักแบบพระพุทธเจ้ารักแบบพ่อแม่ที่มีต่อรู่อย่างนี้รักคือการให้ถ้ารักแบบทางกิเลสก็รักคือการเอาการไปครอบครองเขาเอาเขามาให้ความสุขกับเราเี่เรารักคนนั้นคนนี้เราก็อยากจะให้เข้ามาเป็นสมบัติของเราเพื่อเราจะได้มีความสุขจากเขาถ้ารักแบบนี้มันจะเป็นความทุกข์ต่อไปได้ พอเวลาเขาไม่ให้ความสุขกับเราเวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปแต่ความรักแบบที่ไม่ต้องการอะไรจากผู้ที่เราให้ความรักไปนั้นเราจะไม่มีวันเสียใจเราจะไม่มีวันทุกข์ใจเพราะเราไม่ต้องการอะไรจากเขาเราต้องการให้เขามีความสุขเพียงอย่างเดียวต้องรักแบบนี้ถึงจะทาให้เรามีความสุขการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี้จะทำให้เรามีความสุขขอ้อห้า ถ้าเราอยู่ร่วมกันในสังคมหรือชุมชนหนึ่งๆที่เขามีกฎระเบียบแล้วเราเห็นคนทำผิดกฎระเบียบของสังคมนั้นๆเราควรที่จะเมตตาเตือนบอกกล่าวเขาให้ทราบหรือว่าปล่อยเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาดีกว่าคะก็อยู่ว่าเรามีหน้าที่เรื่องเรามีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาหรือเปล่าเช่นถ้าเขาเป็นลูกเราเรามีหน้าที่จะต้องคอยว่ากล่าวตักเตือนเราก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนไป แต่ถ้าเขาเป็นลูกของคนอื่นเราไม่มีหน้าที่ไปว่ากล่าวตักเตือนเราพูดไปก็อาจจะทำให้เขาไม่พอใจโกรธเกลียดเราได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่ามันเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่าและผู้ที่เราจะว่ากล่าวตักเตือนนี้เขาจะายินดีรับฟังหรือไม่ถ้าเขาไม่ยินดีไม่ไม่ชอบฟังเราก็อย่าไปว่ากล่าวตักเตือนเขาเพราะจะเป็นการสร้างศัตรูขึ้นมาโดยใช่เหตุ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อหนึ่งยมเห็นคนที่มาช่วยงานในวัดที่ลดอาหารเลื่อนออกมาจากพระพิจารณาแล้วแต่พระยังไม่ได้อุปโลกแต่เขาจะหยิบไว้เป็นของของเขาเองถ้าอันไหนที่เขาชอบและอยากได้แบบนี้ทำได้หรือเปล่าคะคือถ้าพูดตามหลักของการปฏิบัติก็ทำได้เพราะเราถือว่า พอพ้นจากพระไปแล้วก็เป็นของญาติโยมที่จะเอาไปแบ่งแจกจ่ายกันได้ส่วนพิธีอุปโลกนี้มันเป็นเป็นเพียงพิธีเท่านั้นเองเพียงจะประกาศให้รู้ว่าอันนี้เป็นขั้นตอนของการกระทําของการแบ่งของต่างๆที่ได้มาจากาจากวัดนีคือของต่างๆที่ญาติโยมถวายให้กับพระนี่ จะต้องแบ่งให้พระไปก่อนแล้วส่วนที่เหลือจากพระพระก็เมตตาแจกจ่ายให้กับา وم, ญาติโยมเช่นญาติโยมที่มาร่วมทมบุญกันก็สามารถที่จะเอาอาหารต่างๆนี้ไปรับประทานกันได้แต่เราไม่ได้ทำแบบเคร่งคัดร้0ตว่าต้องรอให้พระสวดกล่าวคำอุปโลกน์ก่อนแล้ว คอยเอาของต่างๆนะั้นไปแจกจ่ายเพราะในการดําเนินการนี้มันจะทําให้มันเสียเวลาไม่คล่องตัวเพราะอาหารที่ออกจากพระก็ต้องมานั่งกองรอไว้ก่อนอกว่าจะเสร็จแล้วถึงค่อยมาอุ ป, ปโภคแล้วค่อยเอาไปแจกจ่ายกันมันก็จะทําให้มันไม่ค่อยสะดวกรวดเร็วท่านั้นเองดงนัน้นโดยดักแล้วก็ถือว่าพอของที่พระ ได้รับแล้วส่งออกจากพระไปก็ให้ญาติโยมไปจัดการแบ่งไปตามจุดต่างๆที่ควรจะแบ่งไปว่ามีบุคคลที่มาพึ่งพาอสัยของจากทางวัดก็ต้องจัดไปตามความจำเป็นตามขั้นตอนของของความจำเป็นเหล่านั้นยั้นถ้าจะมองว่าไม่ยังไม่ได้อุปโภคแล้วไปแจกจ่าย ถ้าจะมองว่ามันผิดก็ผิดขั้นตอนแต่ถ้ามองตามหลักของการแบ่งของมันก็ไม่ผิดตรงไหนข้อสองโยมเห็นผู้หญิงที่มาบวชชีพารามที่วัดเขายังแต่งหน้าทาปากใส่เครื่องประดับแต่งตัวสวยงามเหมือนคนปกติแบบนี้ที่เขามาปฏิบัติธรรมเขาจะได้บุญไหมคะก็ได้น้อยกว่าคนที่ไม่แต่งหน้าแต่งตัวคําถามจากคุณอนัญญา ทำอย่างไรจึงจะละสักยทิฏฐิได้เด็ดขาดและจะรู้ได้อย่างไรว่าสักยะทิฏฐิขาดแล้วคะหนึ่งก็ต้องมีสมาธิก่อนจิตต้องรวมมีความสงบมีความสุขทางใจแล้วก็จะสามารถที่จะพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราและร่างกายนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวรเราก็จะปล่อยวาง ร่างกายไปได้ไม่ต้องยึดไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องขับไม้เครื่องมือให้ความสุขกับเราคำถามจากคุณดุลยาการเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตและตัดไหวลูกนิมิตอีกทั้งการถวายดอกไม้ใช้ในกิจการของทางวัดจะมีผลบุญกุศลอย่างไรคะก็เป็นการทําทานอย่างหนึ่งเหมือนกับการใส่บาตรเหมือนกับการ ซื้อผ้าไตถวายพระมันวิธีการทำทานนี่มีหลากหลายวิธีด้วยกันแต่ผลที่เกิดจากการทำทานเหล่านี้ก็เหมือนกันคือได้รับความสุขใจได้รับการเสียได้มีได้เสียสละได้ละความตเนีได้ละความโลภในข้าวของเงินทองต่างๆให้มันมีน้อยลงไปเบาบางลงไปทำทานหมดแล้วจากทางบ้านมีใคร ที่อยู่ในสถานที่นี้อยากจะถามไหมวันนี้ไม่ค่อยมีใครสงสัยนะเป็นเพราะว่าจะฟังมามากพอสมควรแล้วเพราะนี่ที่เทศมานี่ก็เกือบจะครบสามปีแล้วจำได้ว่าเริ่มต้นในช่วงเดือนมีนาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็จะครบสามปี ที่มีการแสดงทำอย่างต่อเนื่องทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทามาก่อนหน้านั้นก็จะทําบ้างเป็นบางบางครั้งบางคราวเพราะช่วงก่อนหน้านั้นก็ยังไม่มีศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมฟังเทศน์ฟังธรรมกันอย่างต่อเนื่องเหมือนช่วงระยะเสามปีหลังนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็ล่วงโรยไปและญาติโยมก็ต้องหา ที่ฟังทากันใหม่ก็เลยได้มารู้จักที่นี่แล้วก็เลยมีการเผยแพร่ไปทางอินเทอร์เน็ตคนที่ได้ยินได้ฟังได้สัมผัสก็อยากจะมาฟังเสียงจริงมาเจอตัวจริงก็เลยมีการมาก็เลยมีการสแสดงธรรมอย่างนี้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ช่วงบ่ายสองโมงถึงสี่โมงก็จะมี การแสดงธรรมและตอบปัญหาธรรมส่วนวันธรรมดาก็ยังมีการรับแขกช่วงสองถึงสี่โมงอยู่เพียงแต่ว่าจะไม่ได้แสดงธรรมแต่จะมีการสนทนาธรรมการแทนเพราะว่าวันธรรมดาคนมาก็จะไม่มากมากันบางทีก็สองสามคนบางทีก็ห้าหคนบางทีก็สิบกว่าคนแล้วแต่จังหวะบางวันก็มากหน่อยบางวันก็น้อยหน่อย ส่วนใหญ่ก็จะมาถวายข้าวของแล้วก็มาถามปัญหาธรรมก็ถามตอบคุยกันไปตามอัธยาศัยอันนี้ก็เป็นกิจวัตรทีรท่กระทำอยู่เป็นปกติทุกวันถ้ายกเว้นเวลาไม่สบายหรือว่ามีภารกิจอย่างอื่นที่จะต้องไปทาก็อาจจะมีการยกเว้นไปบ้างแล้วก็ตอนเช้าที่ศาลาหอฉัน ก็มีการแสดงธทำทุกวันเสาร์ ว, วันอาทิตย์และทุกวันพระ <Yeah. S 1> ก่อนที่จะฉันหลังจากที่กลับมาจากบินนบาตแล้วญาติโยมได้มาถวายอาหารที่เาลาพอรับอาหารต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการเคมีการถวายสังฆทานแล้วก่อนที่จะฉันก็จะมีการแสดงธรรมประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีเสร็จแล้วก็จะ ฉันกันช่วงนี้ก็จะเทศตอนเช้าก็ประมาณอย่างวันนี้ก็ประมาณา8โมง45นาทีช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังอยู่ในปลายฤดูหนาวาการออกบินรบาดนี้ยังออกสายอยู่เวลาออกจากบินออกบินรบาดนี้ไปเริ่มบินรบาดเป็นประมาณเวลา6โมงครึ่ง แล้วกว่อจะกลับมาถึงวัดก็เกือบ8ปดโมงเจ็ดโมงสี่สิบห้าแล้วก็มารับของจากญาติโยมอีกประมาณชั่วโมงละสี่สิบห้านาทีเมืม่อวานนี้ก็เริ่มเทประมาณ8ปดโม ง, งึวันนี้ก็แปดโมงสี่สิบห้าเพราะมีคนมากขึ้นบางวันคนมากก็ช้าหน่อยบางวันคนคนน้อยก็เร็วหน่อยต่อไปถ้าเข้าช่วงฤดูร้อนนี้ก็จะออกบินฑบาสเร็วหน่อย จากหกโมงขึ้นก็จะกลายเป็นหกโมงเช้าก็จะกลับมาเร็วหน่อยก็จ ะ, สะแสดงธรรมเร็วขึ้นถ้าในช่วงฤดูร้อนนี้ก็จ ะ, สะแสดงประมาณช่วงเวลา8ปดโมงเช้าถ้าช่วงฤดูหนาวก็ประมาณ8ปดโมงครึ่งถึง8ปดมงสีสบขึ้นอยู่กับ ว, ว่าวันไหนมีคนมากคนน้อยส่วนวันที่เป็นวันมีพัะปติโมก ค, คือทุกสบห้าวัน ที่ตรงกับวันพระใหญ่หรือวันหลังจากวันพระใหญ่นี้พระภิกษุจะต้องลงประชมฟั ง, ฟงการสวดพระปฏิโมกข์คือสินสอง้อีข้อวันนั้นอาตมาก็เดี๋ยวนี้ต้องขอตัวคือหลังจากกลับมาจากบนบนดาบะแล้วก็จะไม่ขึ้นศาลาไปฉันเพราะว่าถ้าอยู่บนศาลาฉันก่อจะฉันเสร็จก็ไม่ทันเวลาที่จะไปลงปฏิโมก ที่เขากาหนดให้ลงประมาณเที่ยงและก่อนจะลงก็ต้องไปเตรียมตัวก่อนครึ่งชั่วโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งก็ต้องไปแล้วถ้าอยู่ชั้นที่ศาลาในวันพระวันที่มีคนมาทำบุญมากๆกว่าจะออกศาลาไปได้ก็เกือบเสด็จโมงจะไปเข้าห้องน้ำห้องท่าทำอะไรก็ไม่มีเวลาที่จะมาลงปฏิโมกได้ทันก็เดี๋ยวนี้วันไหนที่เป็นวันลงปฏิโมกก็จะ เบญบาเสร็จแล้วก็จะไปหาที่สงบฉันคนเดียวจะได้มีเวลาพักผ่อนสักสองสามชั่วโมงเพราะถ้าไปฉันคนเดียวนี่ประมาณแปดโมงคึ่งก็เสร็จแล้วก็มีเวลาสามชั่วโมงไว้พักผ่อนไว้เตรียมตัวไปลงปฏิโมกเวลาสิบเอ็ดโมงคึ่งพอหลังจากลงปฏิโมกออกมาก็ต้องขึ้นมาพอดีจะช่วงสองโมงอีกก็ต้องมาเทศสอนญาติโยมต่ออียรับแขกต่ออีกบ่ายสองโมง ถ้าถ้าขึ้นศาลาแล้วก็จะไม่มีเวลาที่ได้พักได้ผ่อนเลยก็เล เ, เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นวันพระใหญ่วันที่ต้องลงปฏิโมกต้นการลงปฏิโมกของพระธรรมยุทธ์นี้ก็อาจจะไม่ตรงกับวันพระใหญ่เพราะว่าปฏิทินที่ใช้ในการกําหนดวันพระใหญ่นี้เป็นใช้คนละสูตรกับสูตรที่ใช้ทั่วไปสูตรทั่วไปนี้เขาใช้สูตรเฉลีย่ยคือแบ่ง ห้วันนี้แบ่งมีวันพระจันทร์เต็มดวงอยู่สองครั้งแต่การเต็มดวงของพระจันทร์นี้บางทีมันไม่ได้ตรงกับวันสิบห้าค่ำบางทีมันเลื่อนไปวันหนึ่งเป็นวันแรมหนึ่งค่ำหรือวันขึ้นหนึ่งค่ำนั้นการลงปฏิโมกของพระธรรมยุทธนี้บางทีก็ไม่ได้ลงในวันขึ้นวันแรมสิบห้าค่ำแต่จะไปลงที่วันขึ้นแรมหนึ่งค่ำแทนอันนี้ทั้ง ทางพระสายรธรรมยุทธ์นี้จะมีปฏิทินพิเศษไว้สําหรับดูว่าวันไหนเป็นวันลงปฏิโมกอย่างคราวหน้าที่จะลงปฏิโมกก็พอดีตรงกับวันมาค้าบูชาพอดีวันนั้นก็จะไม่ได้ลงศาลาแต่จะออกบิฏบาตตามปกติฉันเสร็จแล้วบิฏบาเสร็จแล้วก็จะกลับไปที่พักแล้วก็ไปฉันตามลําพัง เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวลงพระปลงบล็อกฝังภาะปฏิโมกได้มีเวลาพักผ่อนไว้สําหรับมารับแขกรับญาติโยมในช่วงตอนบ่ายอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่งั้นแล้วเดี๋ยวร่างกายมันสู้ไม่ไหวเหมือนก็เลยมนักมวยก็ยังมีมีพักยกกันพระ ก, ก็เหมือนนักมวยต้องโชกกับญาติโยมเดี๋ยว ฟังด้วยหรือว่ามีมีอะไไม่ได้มันเป็นกิจของสงฆ์แล้วฟังก็ไม่รู้เรื่องเพราะท่านสวดภาษาบาลีใช่แล้วเร็วมากคุณมคือเเกือก็เกืต้องสวดนี่มันเสร็จไปประมาณสี่สิบแล้สี่สิบห้านาทีแล้วพระทุกรูปจะเข้าใจความหมายทุกรูปไหมคะก็ส่วนใหญ่จะเรียนมาก่อนเวลาบวชนี้นักดักสวนนักธรรมตรีนี่ก็จะให้เรียนศีนสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อย่างนีจะรู้ว่าข้อที่หนึ่ง ที่สวดนี้มีความหมายว่าอย่างไรบาราชิกสี่อย่างนี้จะรู้ว่ามีอะไรบ้างเช่นไม่เสษเบตุนคือไม่ให้ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ฆ่ามนุษย์และไม่ให้อวดอุตริมนุษยธรรมคือทำคุณวิเศษที่ไม่มีในตน <Okay. S 2> อันนี้เป็นสี่ข้อแรกแล้วก็จะมีแบ่งเป็นข้อขอเป็นเป็นชุดชุดไป <Okay. S 2> กว่าจะสวดเสร็ ช้าเร็วก็อยู่ที่ผู้สวดถ้าเร็วหน่อยที่วัดนี้ที่เร็วสุดก็ประมาณสามสิบห้านาทีถ้าช้าบางทีก็เกือบชั่วโมงแล้วแต่บางองค์ท่านก็สวดเร็วบางองค์ท่านก็สวดชา้า mm hmm. อันนี้เป็นตรรมเนมที่พระเจ้าทรง อ, อธิบายให้พระสารวิตรทราบว่าถ้าอยากจะให้สงนี้มีอายุยืนยาวนานอยู่ไปนานนี้สงต้องลงฟังพระปฏิโมก ทุกเกิเดือนเพื่อจะได้เตือนสติให้รู้ว่าตอนนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติตนอย่างไรก็คือให้รู้จากศีลของตนว่ามีอะไรบ้างการฟังสมัยก่อนก็ฟังแล้วเขาเข้าใจเพราะส่วนเป็นภาษาภาษาของพระเลยภาษาบาลีนี้เป็นภาษาที่พระสมัยก่อนสมัยพุทธกาลใช้เป็นภาษาพูดคุยกันยันเวลาแสดงพระปฏิโมกข์พระที่ฟังก็จะเข้าใจกัน แต่ต่อมานี่เราเราเราใช้ภาษาไทยเป็นภาษาพูดกันแต่เรายังอยากจะรักษาความขลังความความเที่ยงแท้แน่นอนของพระปฏิมโมกเราก็เลยไม่แปลถ้าเราแปลแล้วเดี๋ยวกลัวมันจะเปลี่ยนไปตามสมัยตามภาษาแล้วเนื้อหาสาระเดิมอาจจะหายไปได้ก็เลยให้รักษาภาษาบาลีไว้ ให้ท่องภาษาบาลีแต่ให้ไปอ่านคำแปลเอาเองจะมีคำแปลของศีลทั้ง227ข้อให้สำหรับภาพบวทใหม่ได้ศึกษาล่ําเรียนอยู่ในห ล, ลักสูตรนักธรรมตรีทุกรูปที่บวทนี้จะต้องศึกษาพระปฏิโมกศึกษาหลักสูตรนักธรรมตรีกันนักธรรมตรีนี้ก็จะมีแบ่งเป็นสี่วิชาวิชาหนึ่งก็พระวินัยก็ศีล227ข้อวิชาหนึ่งก็คือธรรมะวิธรรมวิภาค ก็คือคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าแล้วก็พุทธประวัติศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วก็ข้อที่สี่ก็ให้เขียนเรียงความตั้งกระทู้แสดงทำหัวข้อทำข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็ขยายความความเข้าใจของตนว่าตนได้เข้าใจในหัวข้อธทมนั้นอย่างไร อันนี้<อ>สําหรับวัดของที่ในเครือวัดบวรหรื อ, รอว่าทุกแห่ ง, งมีบรรจุเป็นบังคับภาคบังคับอะคะซึ่งนักนักทำตีนี้คารวะญาติโยมจะเจริญก็เรียนได้มีหนังสือที่สามารถไปซื้อมาอ่านได้แล้วเวลาสอบก็มีสถานที่ให้ไปสอบจะสอบหลังช่วงหลังจากออกพรรษาไปแล้วผ<ม>ู้ที่บวชใหม่พวกพัฒนวกะทั้งหลายนี่ก็จะรอรอสอบ นวกักกะสอบนักทำรรตรีก่อนแล้วค่อยลาสิกขาไปสมัยก่อนสมัยที่การศึกษาทางโลกยังไม่กว้างใหญ่ไพศาลผู้ที่จบนักทำตีนี้ก็ถือว่าเป็นบัณฑิตแล้วมีความรู้ที่สามารถที่จะอไปสอนคนอื่นได้แล้วอแต่สมัยนี้ความรู้ทางโลกกว้างขวางไปกว้างกว้างขวางไปมากเลยทําให้ความรู้ทางธรรมนี้รู้สึกว่าจะไม่สําคัญไป แต่ความจริงถ้ารู้นักหลักสูตรนักธรรมตีนี้ก็สามารถที่จะประคองชีวิตให้อยู่ในความเป็นปกติได้มีความปกติสุขได้จะไม่ไปติดคุกติดตารางจะไม่เปนหนี้ป็นสินจะไม่มีปัญหาอะไรต่างๆตามมาเพราะจะรู้จักศีลห้าจะรู้จักอบายมุขต่างๆแล้วถ้าสามา ร, ไ ด, รได้ประโยชน์แต่สมัยนี้กลับไม่เรียน สิ่งที่ควรจะเรียนกันไปสิ่งไเรียนในสิ่งที่อยากจะเรียนกันเพราะว่าเป็นความรู้ที่สามารถนำเอาไปในการทรมาหากินหางเงินหาทองได้แต่ไม่มีความรู้รักษาจิตใจของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นปกติสุขได้ปัญหาจะมีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเพราะขาดความรู้ในหลักของทำคาสอนของพระองคมีคนอยากจะถามอีกเชิญ กลันมัสการพระอาจารย์ค่ะเมื่อกี้ฟังพระอาจารย์เทศใจก็อยากจะให้คาเทศพาเราเข้าสู่สมาธิแต่เมื่อกี้เรานั่งหลับตาปุ๊บมันก็จะหลับก็เลยต้องนั่งถางตาว่าต้องฟังต้องฟังอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั่งจะหลับอีกแต่พอนั่งลืมตาปุ๊บเราก็ใจเราก็อยากจะให้มัน อ, อ เข้าสู่สมาธิเหมือนทุกครั้งแต่วันนี้มันห่วงแล้วพอเราลืมตาปุ๊บขาเรามันก็จะเจ็บมันก็รู้สึกจะเจ็บเจ็บมากกว่าเวลาที่เราหลับตาแล้วมีสมาธิ ก, การฟังทำของพระอาจารย์เราจะไล่มันได้ยังไงค่ะไล่ไอ้ความที่เราคือการง่วงนอนเนี่อาจาจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะรับประทานอาหารมากไปหน่อยเมื่อกี้รับประทานอาหารกลางวันมาหรือเปล่ามันก็จะทาให้ง่วงได้ ลองอย่าไปรับประทานดูรับประทานตอนเช้าอย่างเดียววันไหนจะฟังทับก็รับประทานให้น้อยๆหน่อ ย, อ ย, อ ย, อยแล้วมันก็จะไม่ง่วงอันนี้เป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติเวลาจะทำใจให้สงบพอใจทำท่าจะสงบสติมันก็หมดกาลังความง่วงมันก็จะเข้ามาแล้วมันก็จะทำให้อยากจะหลับดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติจึงส่วนใหญ่ต้องถือศีลแปดกัน คือต้องไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะถ้ารับประทานมากเดี๋ยวมันก็จะง่วงนอนแล้วจะไม่มีเวลามาปฏิบัติเพราะจะมาคอยกังวลกับเรื่องของการรับประทานอาหารกว่าจะได้ปฏิบัติถ้ารับประทานอาหารเย็นอาหารค่ำด้วยกว่าจะได้ไปปฏิบัติก็ดึกกว่าจะหายง่วงเพราะเขาพอดีก็ง่วงพอดีเพราะมันดึกแล้วถ้ารับประทานเพียง ไม่หลังไม่รับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้วพอตกบ่ายๆมันก็จะหายง่วงแล้วต่อไปตอนเย็นถึงเด็กมันก็จะสามารถฝึกสมาธิได้ฟังเทศฟังธรรมแบบไม่หลับได้มีทางไหนอกีกใ้่ค่ออะอาจารย์คือจากประสบการณ์ของโยมนะจ๊ะการที่นั่งให้เป็นสมาธิแลฟังเนี่ยกับการตั้งใจฟัง ยมมีความสึกว่าตั้งใจฟังเนี่ยจะได้รู้มากรู้เยอะกว่าเพราะสมาธิบางทีเราไปมัวพวงว่าเมื่อมันจะได้สมาธิเมื่อไหร่คือคือการฟังนี้ได้สองประโยชน์ไงแต่ต้องเลือกเอาว่าจะเอาประโยชน์ไหน อ, อ, อยู่ที่ระดับจิตของผู้ฟังว่าอยู่ในระดับไหนถ้าอยู่ในระดับฝึกสมาธิก็ฟังเพ<ช>ื<ช>่อให้ใจสงบ อ, อ, อาศัยเสียงธรรมเป็นตัวกล่อมใจแทนที่จะใช้พุโทโธก็ใช้เสียงธรรมแทน ง่ายกว่าเพราะเราไม่ต้องพุโทโธพุธโทโธเราขี้เกียจเราเอาศัยเสียงธรรมกล่อมใจเราไปได้ะนะใจก็จะสงบได้แต่ถ้าเราอยู่ในขั้นปัญญาเราอยากจะรู้ความหมายของธรรมที่เราได้ยินเราก็ต้องตั้งใจฟังแล<ช>้วพิจารณาตา<ช><ช>่าง<ช>ถ้าเราพิจารณาตามแล้วเราเข้าใจหลักของเหตุผลที่ได้แสดงไว้เราก็จะได้ปัญญา จะเข้าใจอ๋อ oh, ทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมถึงต้องทําอย่างนี้ทําอย่างนี้แล้วถึงได้อย่างนั้นเนี่ยอันนี้<ช><ช>เรียกว่าปัญญา อ, อ, อันนี้ก อ, อีกขั้นหนึ่งส่วนใหญ่<ช><ช>ต้องเป็นต้องมีผู้ที่ผ่านสมาธิไปแล้ว<ช><ช>หรือว่าผู้ที่มีเจร็ญทางปัญญา<ช>คือชอบคิดชอบอ่านชอบใช่เหตุชอ้อยผล น, นี้ เวลาฟังธรรมมักจะพิจารณาตามแล้วก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองถ้าฟังด้วยปัญญานี่ได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งความสงบได้ได้ทั้งปัญญาได้สัมาธิฏฐิแต่ถ้าฟังด้วยการใช้เสียงกล่อมใจก็จะได้เพียงคึ่งเดียวได้ความสงบแต่จะไม่ได้ปัญญาจะไม่เข้าใจว่าพระวิน้เทศเรื่องอะไรไปบ้างไม่ได้ไม่ได้สนใจเพราะอย่างวันนี้โยมทำสองอย่าง พอรู้เลยว่ามันไม่เต็มที่ก็เลยต้องลืมตามันถึงจะได้เต็มที่เออา <c oughs> อันนี้ก็ต้องความจริงไม่ต้องลืมตาก็ได้ถ้าเราต้องการจะฟังแล้วเราพิจารณาตามเหตุตามผลไปก็ได้เหมือนกันแต่บางทีนิสัยเราชอบดูคนพูดด้วยจะได้ <c oughs> อันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะ <c oughs> ลืมตาก็ได้จะไม่ลืมตาก็ได้ แต่ปกติท่านบอกว่าเวลาฟังธรรมอย่าส่งใจเราไปหาผู้แสดงให้เราตั้งรับตั้งสติรับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหูเราก็พอเพราะบางทีเราไปตั้งใจไปส่งไปที่ผู้รับเดี๋ยวเราไปวิภากษ์วิจารณ์ไปดูหน้าดูตาท่านแล้วก็อาจจะไปคิดปรุงแต่งไปเรื่องอื่นไปได้เดะะดลยลืมฟังว่าท่านพูดอะไรอยู่ เอาแล้วนะคิดว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพ่นิสพิจาณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ